ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะปะพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนาพระอมาราภิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวารจนาต่อไปถึงธรรมคุณนักถาถามว่าพระธรรมมีคุณอย่างไรแก่ว่าคุณแห่งพระธรรมมีมากนัก ผลนวิสัยปุถุชนจะพันน า, นาได้ตัดให้สั้นความที่เป็นของดีจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นแหลเป็นคุณใหญ่ในพระธรรมอันหนึ่งกล่าวคุณตามประเภทแห่งธรรมทั้งสามปริยัตสัตธรรมมีคุณอย่างยิ่งคือประกาศทรงสว่างแก่สัตว์ให้ตัด ร, รู้จักปฏติปัติสัตยธรรมส่วนปฏติปฏิสัตธรรมมีคุณอย่างยิ่งคือให้ตัรรดดาเนินถึงอาธิคมสัตธรรม ตัวนอธิครมสัทธรรมก็มีคุณอย่างยิ่งคือค่ากิเลสนั้นๆให้ตัดได้ความสุขถึงความสิ้นทุกข์อ น, นึ่งสวาขาตาตาบิคุณเป็นคุณแห่งพระธรรมควรเป็นอนุสติฐานที่ตั้งแห่งความระลึกเพราะเหตุนั้นแบบนี้จะแปลและอธิบายในบททั้งหกมีสวาขาโตพระควาตาธรรมโมเป็นต้นตามลำดับในปุพพสิกขาคำในพระอัจถรว่าไว้ดังนี้ว่า แม้ปริยัติศัตรธรรมย่อมถึงความสงเคราะห์ในบทว่าสวาขาโตพระวตาธรรมโมด้วยโลกุตรธรรมอย่างเดียวย่อมถึงความสงเคราะห์ในบททั้งห้านอกนั้นตั้งแต่สันทิฏฐิโกจนถึงปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิตามคําอัจฉริานั้นได้ความว่าบาลีว่าสวาขาโตข้อความละจึงมาถึงวินยูหินี้ประกาศคุณแห่งปริยัติศัธรรม และอธิคมสัจธรรมซ้อมประการเท่านั้นไม่ประสงค์ปฏิปฏิสัจธรรมด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคือปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดก็ต้องแล้วแต่สติปัญญาและการศึกษาถ้ามีการศึกษามาถูกต้องตรงมีความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาก็เป็นการปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าถ้าศึกษามาไม่ดีหรือว่าปฏิบัติแล้วสติปัญญาไม่มีกําลังเพียงพอไปปฏิบัติผิดเข้าก็ เป็นของเฉพาะตัวไปเพรา ะ, ะนั้นปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้แสดงไว้ตรงนี้นะแสดงไว้เพียงสองอย่างสําหรับพระธรรมคุณเนี่ยก็คือปริยัติกับปาทิเวแม้ถึงกระนั้นจะทนานาว่าประกาศคุณแห่งปฏิปาติสัทธธรรมด้วยก็ได้แปลตามอัตกถาประสงค์นั้นว่าธัมโมอันว่าปริยัติสัทธรรมสวาขาโตภะคะวตา อันพระผู้มีพระภาเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะเป็นของไพเราะงามในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดอย่างหนึง่งเพราะเป็นของประกาศซึ่งประมาจรรันมีอัตถามีพยัญชนะเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดรอบสิ้นเชิงจึงชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาเจ้ากล่าวแล้วดีแท้จริงพระปริยัติธรรมแม้เป็นคาถาสี่บาทก็ชื่อว่าเพราะในเบื้องต้นเพราะคือไพเราะ ด้วยบาทที่แรกชื่อว่าไพเราะใน่ามกลางด้วยบาทที่สองที่สามชื่อว่าไพเราะในที่สุดด้วยบาทที่สี่ด้วยว่าในบาทแห่งคาถาทั้งสี่นั้นบาทใดบาทหนึ่งจะได้แสดงเนื้อความอันวิปริตและแสดงเนื้อความไม่เป็นประโยชน์หามีไม่อนหนึ่งปริยัติธรรมชื่อว่าไพเราะในเบื้องต้นด้วยแสดงศีลเป็นคุณเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ชื่อว่าไพระในท่ามกลางด้วยแสดงสมาธิเป็นคุณท่ามกลางแห่งพรหมจรรย์ชื่อว่าไพระในที่สุดด้วยแสดงปัญญาเป็นคุณเบื้องปลายแห่งพรหมจรรย์อันหนึ่งแม้ตติปฏิสัตธรรมก็ชื่อว่างามดีในเบื้องต้นหรือศีลเหตุศีลเป็นของห้ามกิเลสอย่างยาบคือวิติกรมะความล่วงบัญญัติซึ่งเกิดทางกายและวาจาชื่อว่างามดีในท่ามกลางด้วยสมาธิ เหตุสมาคิเป็นของห้ามกิเลสอย่างกลางคือปริยุทธานกิเลสลุกขึ้นตั้งอยู่รอบจิตชื่อว่านามดีในที่จุดด้วยปัญญาเหตุปัญญาเป็นของห้ามกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยกิเลสดุจหนึ่งตามนอนอยู่ในสันดานอันหนึ่งป ร, ริยัตสัธรรมชื่อว่าไภเราะในเบื้องต้นด้วยการฟังด้วยว่าในขณะเมื่อฟังโดยเคารพย่อมได้ความสังเวชและความเลื่อมใส ในที่ควรจ็บสังเวทและเลื่อมใสแล้วข่มเสียได้ซึ่งนิวรณ์ทั้งห้าชื่อว่าไพระในถ้มกลางด้วยปฏิบัติเหตุบุคคลผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ความสังเวทได้ความเลื่อมใส ย, ย่อมข่มกิเลสนั้นๆได้เห็นคุณแห่งธรรมชื่อว่าไพระในที่ตุดด้วยผลแห่งการปฏิบัติคือนำมาซึ่งความเป็นคนที่ชื่อว่าตาดิคือไม่โทมนัสโทมนัสในอารมณ์นั้นๆเป็นผู้คงที่ เป็นคุณอย่างยิ่งพระธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะเป็นของไพร่ในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่จุดนั้นดังนี้อันหนึ่งข้อซึ่งว่าปริยสัตยธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะเป็นของประกาศซึ่งประมาจรรมันมีอัฏฐะมีพยัญชนะเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจุดรอบสิ้นเชิงนั้นอธิบายว่าศาสนะ คำสอนอย่างหนึ่งมรรคอย่างหนึ่งชื่อว่าโรมจารย์นในที่นี้าศาสนาโสมจาร์มรรคโรมจาร์อันใดนั้นที่พระผู้มีพระพรุทเจา้าทรงแสดงโดยในต่างๆโรมจารย์ทั้งสองนั้นชื่อว่าศาสถังมีอัฏฐะเพราะถึงพร้อมด้วยเนื้อความอันบุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นพึงได้ด้วยปัญญาชื่อว่าสัพยัญชนางมีพยัญชนะเพราะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะ คืออักษระและบทประพันธ์ซึ่งเป็นบทบาลีประกาศเนื้อความนั้นก็แลพรมจารย์ชื่อว่าเกวละปริปุ น, นงังเต็มรอบสิ้นเชิงนั้นเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงเพิ่มเติมเข้าอีกดังสติปัฏฐานสี่เป็นต้นก็คงเป็นสี่ไม่มีนักปราดจำพวกใดจะกล่าวโทษว่าบกพร่องแล้วและเพิ่มให้เป็นห้าขึ้นได้ก็แลพระมจารชื่อว่าปริสุทธังเป็นของหมดจดรอบสิ้นเชิงนั้น ด้วยเป็นของไม่มีโทษที่จะพึงตัดออกเสียดังอริยมรรคประดับด้วยองค์แต่ก็คงแปอยู่อย่างนั้นในองค์มรรคทั้งแต่นั้นองค์มรรคอันใดอันหนึ่งซึ่งนักปราจะคัดค้านว่าเกินแล้วและเอาออกเสียให้คงเป็นแต่เจ็ดหรือว่าหก็ดีหรือนักปราจะอ้างว่าองค์มรรคอันนี้มีโทษดังนี้ดังนี้ไม่ควรเป็นองค์อวัยวะแห่งมรรค แล้วแลเปลี่ยนเอาทาอื่นเป็นองค์อวัยวะแทนก็ดีดังนี้ไม่มีเพราะเหตุ น, นั้นพระมาจา ร, รย์จึงชื่อว่าเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดรอบสิ้นเชิงข้อถึงว่าปริยัตธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะกระกาศซึ่งพระมาจา ร, รย์มีอัฏฐะมีพยัญชนะเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดรอบสิ้นเชิงดังกล่ามานี้ อันหนึ่งป ร, ริยัติัรรมนั้นชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะไม่มีอัตถาวิปาะดังธรรมแห่งเดียรถีแท้จริงอัตแห่งธรรมของเดียรถีซึ่งเป็นครูอื่นย่อมถึงซึ่งวิปาะคือธรรมที่เดียรถีกล่าวว่าเป็นอันตรายยิ่ธรรมของธรรมอันตรายแก่ตุคติเป็นต้นจะได้ทำอันตรายดังเดียรถีกล่าวนั้นหาไม่ และทำที่เดียร์ถีกล่าวว่าเป็นนิยานิกธรรมดังอัตตะกิรมถานุโยบปฏิปทาปฏิบัติทรมานตนให้ลําบากย่างกายให้กิเลสแห้งนี้แหละนาสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้ข้อนั้นจะเป็นนิยานิกะนําสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้จริงนั้นหามิได้เพราะเหตุนั้นทำแห่งเดียร์ถีจึงชื่อว่าทุราขาโตอันเดียร์ถีกล่าวและชั่วกล่าวแล้วไม่ดี อัจแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นจะได้ถึงความวิปลาสหามนี้ได้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายยิกธรรมของทำอันตรายแก่สวรรค์เป็นต้นดังอันตรายยิกธรรมห้าอย่างมีกรรมอันตรายยิกะเป็นประธานก็คือทำอนันตริกรรมฆ่าพ่อค่าแม่่าประหันทำร้ายผู้เจ้ากหิตท่อแล้วก็ทำสังฆเพศ แล้วก็พวกวิาวปากันตรายพวกกิเลสันตรายนิยตังิชชาทิฏฐิอารยุปวานันตรายว่าร้ายพระอริยเจ้าแล้วก็อนาวิติกมันตรายเก้าโรคศิรขาบททิพุตเจ้าถูกบัญญัติไว้อันนี้ก็เป็นอันตรายยุทธธรรมห้าอย่างย่อมเป็นของทำอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผลแท้ก็แล่สิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นนิยา น, นิกุทธรรมนําสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ นังอัดถังขี้กระมักก็ย่อมนำสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้แท้พระเหตุนั้นทาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าสวากขาโตอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีหร่ว่าตรัสไว้ดีแล้วอันหนึ่งโลกุตรธรรมชื่อว่าสวากขาโตภะคะวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีก็ปฏิปทาข้อปฏิบัติก็สมควรแก่พระนิพพาน พระนิพพานก็สมควรแก่ข้อปฏิบัติด้วยว่าพระนิพพานซึ่งเป็นสถานจะพึงถึงด้วยข้อปฏิบัติเล่าก็เป็นของบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสคือราคะโทสะโมหะปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางดําเนินสู่พระนิพพานคือไตรสิกขาเล่าส่วนศีลก็ห้ามกิเลสคือราคะโทสะโมหะทียาบซึ่งเป็นวีติกมะความล่วงสิกขาบทบัญญัติทางกายทางวาจา ส่วนสมาธิเล่าก็ห้ามกิเลสคือราคะโทะโมหะอย่างกลางซึ่งชื่อว่าปริยุทธานลุกขึ้นตั้งอยู่รอบจิตส่วนปัญญาเล่าก็ห้ามกิเลสราคะโทะโมหะอย่างละเอียดซึ่งชื่อว่าอนุัยดูประหนึ่งว่าตามนอนอยู่ในสันดานนี้แหละข้อปฏิบัติจับพระนิพพานสมควรกรมเกลียวไหลลงในที่อันเดียวกันไม่ขัดขืนแปลกกันดังนี้ ดังน้ำในแม่น้ำชื่อว่ากงคาไหลลงในที่อันเดียวกันกับน้ำในแม่น้ำยะมุนานาทีเสมอโดยสีและรสเป็นอันเดียวกันฉะนั้นเพราเหตุนี้ธรรมจึงชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีบทว่าธรรมโมเป็นประธานในบททั้งปวงตั้งแต่สันทิฏฐิโกไปสันทิฏฐิโกแปลว่าเป็นธรรมอันบุคคลจะพึงเห็นเองอธิบายว่า โลกุตระธรรมเก้านั้นอันพระอริยเจ้าจำพวกใดๆได้แล้วถึงแล้วพระอริยเจ้าจำพวกนั้นๆจะพึงเห็นเองด้วยปัจจเวคขณะยานไม่ต้องเชื่อผู้อื่นบอกมละเสียถึงความเป็นของจะพึงถึงด้วยความเชื่อผู้อื่นพระเหตุ น, นั้นอธิคมสัตธรรมทั้งปวงซึ่งชื่อว่าสันทติโกเป็นของอันบุคคลจะพึงเห็นเอง อาการิโกแปลว่าทมเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาอธิบายว่าพระธรรมคืออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วในสันดานผู้ใดจะหยุดอยู่สิ้นการห้าเจ็ดวันหรือว่าวันหนึ่งกึ่งวันแล้วจึงให้ผลหาไม่ได้ย่อมให้ผลในลำดับแห่งตนเป็นไปนั่นเทียวคือว่าชวนาวาระแห่งจิตที่สัมยุต ด, ด้วยมรรคดับแล้ว ชาวนะวาระแห่งจิตที่สัมยุตย์ด้วยผลก็เกิดขึ้นในลำดับไม่มีชาวนะวาระแห่งจิตอื่นขั้นในระหว่างเพราะเหตุนั้นมรรคธรรมจึงชื่อว่าอากาลิโกเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปติโกแปลว่าพระธรรมเป็นของควรเอหิปั ส, สักวิธีคือจะร้องเรียกผู้อื่นว่าท่านจงมาดูได้อธิบายว่า อาธิคมสัทธรรมทั้งปวงเป็นของมีแท้และเป็นของบริสุทธิ์ใสสะอาดแท้จึงควรจะร้องเรียกให้ท่านอื่นมาดูได้เหมือนอย่างบุคคลมีกำมือเปล่าไม่อาจร้องเรียกผู้อื่นว่าเงินทองของเรามีอยู่ท่านจงมาดูเถิดดังนี้ได้เพราะในกำมือไม่มีถิ่งใดหรือในกำมือมีของอยู่แต่เป็นมูดหรือคูดก็ไม่อาจร้องเรียกว่าท่านจงมาดูได้เพื่อจะให้จิต ผู้อื่นเรื่อนเริงด้วยประกาศของเจริญใจที่แท้มูดและขูดนั้นเป็นของจำจะต้องปกปิดเสียด้วยหญ้าและใบไม้เพราะเป็นของไม่บริสุทธิ์สะอาดส่วนโลกุตรธรรมก้าวนี้เป็นของมีแท้โดยสภาพความเป็นของตนและเป็นของบริสุทธิ์ใสสะอาดดังจันทร์มณฑลอันไพบู์ในอากาศปราศจากเมฆวรารหกอันหนึ่งบริสุทธิ์ดังแก้วมณีโดยชาติ อันบุคคลวางไว้ในผ้ากรรมผลเพราะเหตุนั้นอภิคมสัทธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่าเอหิปัสติโกควรจะร้องเรียกว่าท่านจงมาดูได้โอปนายิโก ah แปลว่าถ้าธรรมเป็นของอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้อธิบายว่าธรรมนี้ควรพระอริยเจ้าจะน้อมเข้ามาใส่ใจของตนของตนได้ด้วยอํานาจแห่งภาวนาคือเร่งเฉพาะรีบเพีย ดังรีบดับผ้าและเสียงอันเพลิงไหม้อยู่แล้วแลมทำมรกผลให้มีขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นธรรมจึงชื่อว่าโอปัญิโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้อธิบายดังนี้ได้ในสังฆตะโลกุตระธรรมคือมรรคผลส่วนอสังฆตะโลกุตระธรรมคือพระนิพพานควรพระอริยเจ้าจะน้อมเข้ามาด้วยจิตของตนได้คือว่าพระอริยเจ้าจะพึงทาให้แจ้งประจักษ เนียวเอาเป็นอารมณ์ด้วยอริยมรรคจิตพระเหตุนั้นแม้พระนิธานก็ชื่อว่าโอปะนิกโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้เหมือนกันตัด จ, จัดตังเวทิตบโบวินยูหิแปลว่าพระธรรมเป็นของอันวินยูผู้รู้วิเศษทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัวอธิบายว่าอธิคมสัจธรรมทั้งปวงนี้อั น, นัปราชคือพระอริยเจ้าที่เป็นอุกติตันญู วิปจิตันยูหรือในโยสามจำพวกนี้จะพึงเห็นแจ้งในตนในตนว่ามักอันเราให้มีให้เป็นแล้วผลเราถึงทับได้แล้วนิพพานเป็นที่ดับทุกข์เรากระทําให้แจ้งแล้วดังนี้จึงอยู่มักที่อุปชัยยะให้มีให้เป็นขึ้นแล้วจะพวอยมละกิเล ข, ของสัตวิวิหาริกผู้ติดด้วยก็หาไม่ จาธิวิหาริกจะพลอยอยู่ภาสุขสำราญด้วยผลและสมาบัติแห่งอุปชาด้วยก็หาไม่และจะพลอยกระทําให้แจ้งถึงพระนิพพานที่อุปชายะนั้นกระทําให้แจ้งแล้วด้วยก็หาไม่พระเหตุนั้นโลกุตระธรรมนั้นจึงเป็นของอันผู้อื่นไม่พึงพลอยเห็นด้วยได้ดังอาภร์เครื่องประดับเกล้าแห่งผู้อื่นเป็นของเฉพาะวินยูบุคคลผู้ได้จะพึงเห็นพึงเสวยในจิตของตนอย่างเดียว ด้วยว่าโลกุตรธรรมไม่เป็นวิสัยแห่งคนพานด้วยเหตุดังนี้แหลโลกุตรธรรมจึงเป็นปัจจตังเวทิตบโบวินยูหิอันผู้รู้วิเศษทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัวอันหนึ่งทำชื่อว่าสวาขาโตอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะเป็นของอันบุคคลจะพึงเห็นเองชื่อว่าสันทิโกเป็นของอันบุคคลจะพึงเห็นเองเพราะเป็นของไม่มีการไม่มีเวลา ชื่อว่าอาการดิโกไม่มีการไม่มีเวลาเพราะเป็นของจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ก็แลทำอันใดชื่อว่าเอฮิปติโกเป็นของควรจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ทาอันนั้นก็ย่อมเป็นโอปนานิยโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาใส่ใจได้และจะพึงน้อมเข้ามาด้วยใจได้เพราะเป็นของอันผู้รู้วิเศษทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัว กล่าวดังนี้แสดงว่าบทหลังเป็นเหตุแห่งบทหน้าต่อๆกันก็แลคุณแห่งพระธรรมซึ่งพันน า, นาเนื้อความตั้งแต่บทสันติโกมานี้ล้วนเป็นคุณแห่งโลกุตระธรรมอันเป็นของสูงเป็นวิสัยแห่งพระอริยเจ้าจําพวกเดียวไม่เป็นวิสัยแห่งปุถุชนครั้นแสดงแก่ปุถุชนก็มืดมัวไม่ปรากฏแกปุถุชนดังแสดงรูปอันวิเศษอัศจรย์นในอากาศแก่คนมีจักษุบอดแต่กําเนิด ประเหตุ น, นั้นกาิยาณาปุตชนผู้กาถนาจะเห็นคุณแห่งพระธรรมตามบทบาลีนี้ก็พึงยกเอากุณแห่งปัตติปัติสัจธรรมตววที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นวิจัยแห่งตนเข้าเทียบในบทว่าสันทิติโกเป็นต้นแล้วและรำพึงเธอจะเห็นเมื่อเห็นคุณแห่งปัตติปัติสัจธรรมว่าเป็นสันทิติโกแล้ว ก็จะอนุมาณรู้ตามในโลกุตรธรรมว่าเป็นสันทิฏฐิโกได้บ้างโดยปริยายเหมือนอย่างปุถุชนเจริญกายยกตาสติรำพึงว่ากายนี้เต็มด้วยวัตถุไม่สะอาดเครื่องโสโครกต่างๆคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจนถึงมูดเป็นที่สุดส่วนทั้ง31สหรือ32นี้แต่ละต่วแต่ละส่ว น, ล, วนล้วนเป็นเครื่องโสโครก แล้วแลได้สมาธิความหยุดใจอย่างตามเป็นทดิกะหรืออุปจาระในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีหรือปัญญาที่เห็นโทษแห่ง ก, กายว่าไม่ดีไม่งามก็ดีส่วนสมาธิก็เป็นธรรมอันใสสะอาดกระกมการมฉันทะซึ่งเป็นราคะความกำหนัดยินดีในกายของตนและกายผู้อื่นสมาธิอันใสสะอาดเกิดขึ้นในจิตเห็นประจักษ์แต่ตนเอง ส่วนปัญญาเล่าก็กานจัดมืดคือโมหะที่เห็นว่ากายงามเป็นอตุภานุปัสนาอันใสสะอาดเกิดขึ้นกับจิตเห็นประจักษ์แก่ตนสมาธิและปัญญานี้แหลชื่อว่าเป็นโลกิยะปฏิปฏิสัทธรรมโลกิยะปฏิปฏิสัทธธรรมนี้ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองอย่างนี้ประจักษ์อยู่ เมื่อเห็นว่าโลกิยาปฏิปติสัตธรรมเป็นสันจิตโกดังนี้แล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นอาการโกไม่มีการไม่มีเวลาว่าปฏิบัติชอบถูกดีแล้ววันนี้พรุ่งนี้สมาธิปัญญาจึงจะเกิดดังนี้เมื่อเห็นว่าเป็นอาการโกแล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นเอหิปติโกควรจะร้องเรียกว่าท่านจงมาดูได้เพราะสมาธิปัญญาเป็นของมีอยู่แท้และเป็นของบริสุทธ เมื่อเห็นว่าเป็นเอหิปัสติโกแล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นโอปนัิโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้ในใจเพราะสมาธิและปัญญาเป็นของเกิดขึ้นในใจตนเมื่อเห็นว่าเป็นโอปนัิโกแล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิท่านผู้รู้วิเศษทั้งหลายจะรู้แจ้งเฉพาะตัวเพราะสมาธิและปัญญาเป็นของเกิดขึ้นเห็นประจักษ์แก่ตนเอง ผู้อื่นไม่พลอยเห็นได้ด้วยดังนี้อันหนึง่งบุคคลถ้าดำเนินในวิปัสสนาปัญญาแล้วไซย่อมจะเห็นคุณแห่งปะติปติสัตรธรรมโดยบทบาลีว่าสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันทิฏกโก่ ไ, ได้โดยง่ายแต่ถ้าว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นขอสุขุมละเอียดขันอายตนะเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาปัญญานั้น ยากที่บุคคลจะพึงรู้เพราะเหตุนั้นจึงได้ยกกายยกตาสติภาวนาขึ้นกล่าวอ้างพอเป็นปาติปติบุคคลก็คือเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมรัตนวันน า, นาก็จบอันนี้ก็เป็นการกล่าวภาว น, นาคุณของพระธรรมหกบทเทียบกับที่ท่านอรรถาจารย์กล่าวถึงแล้วก็โดยการส่งเคราะห์เรื่องของการปฏิบัติเป็นธรรมะที่เอามาพิจารณาโดยคุณแห่งพระธรรมด้วย วันนี้ก็สมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ค่อยต่อเรื่องของสังฆรธัตนคถาขอขวัญท่านได้กุศลปิติประโมทจากการได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระวินยัยซึ่งท่านอมราภิรุกขะอมโรเกิดท่านก็ได้พันนาพระคุณของพระรัตนตรัยก่อนก่อนที่จะกล่าวพระวินยัยโดยย่อในปุพพสิทธาวรนน า, นานี้ขส อ, อนุโมทนาครับท่านด้วยใหท่านจงถึงมรรคผลนิพพานบรรลุ แล้วหรือยังก็ไม่ทราบแต่ว่าขอให้บรรลุก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินใน้ฟังพระธรรมและพระวินัยนี้จงได้บรรลุปัจยศระธรรมโดยการไม่เนื่นช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ